Well, thank you. Cut. บอกว่าได้เจ็บเพแล้วก็ยมีปาบอกว่าได้เจ็บเพี้แล้วอยู่ประจานี่ครับโอ้ีองละเป็นโอ้ลมาลูกยับเข้ามาอีก็ได้ตรงนี้ก็ที่ก็เะรก็ขึ้นข้างบนก็ได้ขึ้นข้างบนก็ได้ มามามามามา ตามตงโยมตามมาโยมที่นี่โยมที่นี่มีไหมยโยมที่นี่มีไหมหีจะกลับมีจะกลัา ม, มที่นี่นี่วัีวามีพระมีสงเยอแยะแล้ว อ่อเรียกคน้อย ไหนนั้นไม่มีค่ะมาทำให้พระยุ่งกันนะแตเรื่องยุ่งนั่นแหละเดินทางก็ต้งใช้ตัวเปล่าตัวมีความไปมือไปยุ่งเท่ชอบยุ่งมันเราชอบยุ่งอย่นี้มาก็เอาให้พระยุ่งนะเขาจะมาเอาห้อพระยุ่งเล้ว พระไม่อยากมีแต่โยไม่มีถ้ามีของมีแล้วกักไปไม่ไหนไม่ได้แล้วเดี๋ยวควายกระเป๋าเดี๋ยวควายกระเป๋อีกพวกหนึงไปถึงไหนแล้วเมื่อวานก็ไม่ใช่ควายกระเป๋าสิถึงมาไม่ทันกันยิ่งไปสวรรค์ น, <c oughs> นิพพานยิ่งมีของยิงไปไม่ได้แล้วนีพระมีสงฆ์พาไปสวรรค์นิพพานไม่อยากจะไปหรือ ท, beeping, ท, iono, ทําให้พระทําบาปก็ว่าทําบุญแล้วก็เอมาทําไมทําบุญบุญของเบาไม่ใช่เดือนกายเบาใจเบาวันนี้กายหนักใจก็หนักหนักกายอยู่ได้หนักใจอยู่จ้าคับกายอยู่ได้คับใจอยู่จ้าพระพุทธเจ้าให้หาพวกมีออกจากใจถ้าใจไม่มีก็ไปได้ไปไหนล่ะไปสวรรค์ ไปพันธุ์พันธุ์ถ้ามีไปไม่ได้ตัณหารักลูกเหมือนเสือกผูกคอตัณหารักสามีภรรยาเหมือนปลอกผูกคอกตัณหารักทรัพย์สมบัตินี่เหมือนปลอกมัดจีนมัดมหมดแล้วไปได้ไหมละ่ะตัณหาเครื่องออกไม่ให้อาอีะไรมัด <c oughs> ยังมีญาติโยมมามัดไป <c oughs> ยังมีญาติโยมมามัดขาพระไา <c oughs> ให้ไปไหนหลวงพ่อไปเลยจะไปไหนก็ไป หลวพ่อทำไมไม่อยู่วัอยู่ไปทาไมถอนคนไม่ได้ไม่อยู่แล้ ว, วกใหาวมาถือศีลผมยุ่งผมยุ่งยุงก็แทออกเกพอู้จักไหมผมมันยุ <c oughs> ่งนี่วันพรุยมทาไมไม่ไปวะผมยุ่งอะไรล่ะูจักไหมผมนี่พักยุยง่อยงอยงุ่งชอยุ่งนนันเห็นไหมลูกหลานอยู่ไอ้ตั้ไป สามารถไปขอค่าเป็นนี้ยาต่างหลายล้านามาขอกับหลวงพ่อทำไมทําไมไม่ขอกับพนัก ง, งานมีกี่คนลนะ่ะหมายความว่าเดือนนี้ค่าแต่งตัวค่าประดับประดาค่าแต่งผมแต่งเล็บแต่งฟันแต่งอะไรเดือนนี้จะไม่จ่ายจะเอาเก็บไว้เพื่อไปใช้ค่ายานั่นคิดดูพนัก ง, งานกี่คนลนะ่ะ ถ้าถึงร้อยคนละคนร ะ, ะกี่บาทค่าแต่งผมแต่งเล็บแต่งฟันแต่งหนังค่าสบู่ถัวเนือ้อถือตัวเต่เพราะค่ขาของแต่งนะยิ่งเป็นของอยู่ของจินของอะไรอีกเยอะแยะไปหมดหรือไปหายุ่งแต่กับพระพะจะมีอะไรเพะะราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งนี้แหละคนเรานีเท่าไหร่ก็ไม่พอเห็นไหประเทศไทยขออีกแล้วค่าแรงงานขอสี่ร้ยห้าสิบหรือเท่าไหร่ ลงตัวกันหรือยังก็ไม่รู้ไม่พอไม่พอละถ้ารถดีห้องไม่ป้ายแดงก็ไม่ขี่โทรศัพท์บ้านนั่นมีสิบคนโทรศัพท์ยี่สิบเครื่องอมันจะพอใช้ยังไงล่ะตั๋วยานมีกี่พันมอเตอร์ไซค์มีกี่จี้ห้องนะรถเก๋งมีกี่จี่ห้องไม่มีที่จอดเราในใต้ถุนน่ะสมัไม วัวไล่ควยทำไมก่อนเดี๋ยวนี้ไล่รถมันจะไปหนีแต่สินชนกันหน่อยเถียงกันตีกันปากแตกปากแตกซะก่อนต่างประเทศเขาลถชมกันให้กับใประกันมาพูดกันเองขี่รถนี้ของมาเราต้องเถียงกันแต่ก่อนใครใหม่กว่ากันใครแพงกว่ากันเถียงกันอยู่นั้น มีวัดมีวามีพระพุทธศาสนาเขารีบเร่งทําบุญจะไม่ทําทานเป็นบาปให้พระลำบากทาทานอามิตรบูชาทําบุญคือปฏิบัติบูชาทําบุญคืออะไรดูลมบุญอยู่ที่ลมทําบุญคือดูใจทําใจให้ใจนิ่งสุขอื่นยิ่งกวัวกลมสงบไม่มีนั่นคําของพระพุทธเจ้าเราจะ่ชอบพุ่นไาย <c oughs> มันขาดอย่างเดียวนะขาดการทำบุญท่านน่าคนไทยฝันศีลวันพระหลังไหลก็ไปวัดไปทำบุญเสบ่าทำบุญแต่บาทท่ า, บบาไปแย่งชิงเสบาดป็งานใหญ่ๆนะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นขอสาขอพระดิดนพระเนรตัวเล็กๆจะรองให้วก็จะฉันก็ไม่ได้ฉันผลสิ่งผลของออกแก่งบาดอาบน้ำตากน้ำแต่ข่มภาคตะวันจีวรก็ยังไม่ได้อยู่แล้วยังไม่ไหวอยู่แล้วยิ่งเทศการเข้าพรรษายิ่ง ที่ทีรีตองเยประเทศไทยอ่ะสมบูรใส่บาทดอกไม้ทูกเทียนแทนที่จะสมบูรณ์ใส่บาทด้วยข้าวอาหารหรืดอกไม้ทกเทียนขนใส่ตัวเล็กเต้นน้อยอาผงกต่างน้ําพราะไม่ได้ฉันแต่คุมฝาบาทก็คุม้าสุบงกิวังอาผงกอต่างน้จะนขสิ่งขนของออกจากบาทอีกคำพูดเ ทำบุญทำบุญทำให้พระเนี่ยลำบากก็ว่าทําบุญบุญคือของเบาเข้าใจไหมเป็ <c oughs> นเป็นประเพณีนะวันนนั้นทาเท้าไทยเท้าพุทธเท้าไทยเท้าพุทธทำไมไม่เอาพิธีกรรมฐานของพระพุทธเจ้ามาใช่กันเทียนเข้าพรรษาแขงเทียนเขา้าพรรษาไม่ถวายต้นเทียนไม่ถวายต้นเทียนเดี๋ยวนี้ไม่ถวายแล้วไปแข่งกันนะ ไม่มีต้นเแียงแข่งเอาแข่งนางลูกพ่อมาแข่งลูกโปอกในวัดนั่นเิงตีกรรมทำพระตัดสินตีกล้องตีกล้องแหมก็มาบางกี่วันบางงานฆ่ากันในการในงานโอ้ทำไมใครทำเขาอะ ทำไมใครทำขอให้ลองต้องปล่อยเขาเด็กๆไม่รู้อะไรแล้วไปงานไห น, ล, นตตลุงปู่วันดาบกำลังแสดงทำเด็กรู้กว้ยได้ไหนนะบรรดากินนนังบ่ายไมนกินเันมาหอมา้องว่ายแข้งตายนี้ เป็นบาปวเ็กน้อยหใ่ไหมุบาอาจาทศลูกเ็ก้ให้เป็ น, b b นบานนนนน b b มันก็เป็นแล้วคุณยาบอกห น, นีว่าคุบาอาจารย์จะมาไม่ใช่ง่ายงมาแล้าาเวเด็กน้อกล่า้ฟังะไปดูได้เห็นได้ยินได้ฟังสราม น, า น, านาดดันจ่าดัชนันเอธรรมบังกะละมุตธรมบัง ติดโฉมมนุษย์สติสีลาโพการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภเป็ น, นธธ ป, ประโยชน์ติฉันพุทธสมุปปาดังติทฉังสัตยธรรมะสวัณันในพบทุกสิ่งทุกอย่างไปว่ามาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญไหมมาได้บุญอยู่ได้บุญกับบ้านเก่าได้บุญมาด้วยบุญอยู่ได้บาปขาดทุนเดียวแต่วัรตรลังคิดตังธรรมชาติใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยาพกพบพุทธศาสนาอยากปฏิบัติทำคำตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็ได้มีร่างกายลืมใจหล้วทีนี่เห็นไหมเคยรู้ใจไหมใจเกิดมาเคยรักษาใจไหมเคยเห็นสวรรค์ไหมตึงขึ้นมาตั้งเป็นเจ้าประเทศไทยจะชนพระตายแลอวไม่ใช่ตำหนินะวัดก็มีจีวัดมีตุ้หุนตุ้มแหงนโยมอะไร สวดสังฆทานเจ้าค่ายูทูปยูเทีนสวดสังฆทานตรวจน้ำยอมนี่แหละทำบุญเมื่อเวลาพระไม่บอกทำบุญผลสุดท้ายยมขวดหลงเหมือนกันเมื่อเจ้าที่กงอยู่วัดนั่นก็เห็นดอกไม้เยอะแยะนี่พี่อยู่ข้างหลังเลยไม่เห็นผูชาติดอกไม้เป็นผิดทำวิดใน มาลาเงินธาิเลมาลาแปลว่าดอกไม้ลูกหลานก็ว่าชอบสวยงามชอบสวยงามมันเกิดแล้วขบวเจาไม่ให้สอนอดดอกไมกบ้บมโวชานี่ตามมองมามด้วยกายด้วยวาจายินาสกาเดนะทางคุทธทางธรังสร้างทางอภิปูชามาต่าคนเดียวอภิปูชามี ก, กายวาจาใจนี่ นั่นแหะที่ว่าไปวัดทําบุญถ้าไปวัดบุญวายเถียงกันพูดเรื่องคนนั่นพูดเรื่องคนนี้คนนั่นได้อาหารอร่อยคนนี้ไม่ได้อาหารอร่อยคนนั่นขี้โลกคนนี้ไม่ขี้โรคไปเถียงแต่กันไปหายุ่งเรื่องวัดไปหากวนพระไปหากวนพะระก็ว่าไปทําบุญะพระเอาบัญตบาทพอแล้วอย่าไปเข้าไปกวนพระถ้าไม่ไปทําบุญ ดีเจ้าประเทศไทยหลังสวยๆงามๆมาขอพักน้ำแนไม่มีที่พักไม่ว่างผมก็ได้นอนข้างนอกนั่นคือหลังไงยุพุติที่แต่ของสังกัานผมก็เด้นอนข้างนอกก็อดิหลวงพ่อไปเบื้องลู่ข้างในฝุ่นของสังกทตานเต็มพีลีอยู่มันแหวนเห็นไมล่ะก็คำพูดว่าไปทําบุญทํำให้พระยุ่งก็ว่าทําบุญเนี่ย ไปตัวเปล่าหลวงพ่อไม่ทํานี้นะสําหรับหลวงพ่อนะแต่วัดอื่นก็ไม่แน่ถ้าไม่มีของไปจะไล่ลมออกจากวัดเอาไปทําไมให้พระยกจอปอปัน้นตัวพระทำนี้เลอไม่มีอะไรไปถวายพระยุ้ยจะไปวัดก้อนหาเนี่ยไปถวายพระก้อนหรอเปล่าน่ะแต่เรื่องให้พระจุงเพราะว่าไปทําบุญหลวงพ่าทุกวันก็บอกเอาเส้ด้ว้นะ มาวัดมาไห้มาแต่ดมือตื้อๆบวารได้บัดก็บอกอย่างติดดินติดมือมาแน่บอกอย่างติดใหม่ติดมือมาแน่บว่ารบูชาว่าติดไหม่ก็ปิ่นไก่บวาเด้ติดมือคือปั้นเข่าววาเด้พระเทศเอามะไปเบาพระก็เบาด้วยช่วยพระสงฆ์ถากริเลธเคยเตือนดอกญาติโยมแล้วพระพุทธศาสนาจะเจริญ ไปจากพุทธบริษัทสี่พิกุตตมเนนอุบาสกอุบาจิกาช่วยกันรักษาประสาทนาถ้าเห็นพระสงฆ์ไปบินตบาตมองดูบาทเห็นอาหารมีแล้วพอจะฉันดันิมนต์หลวงปูก่กลบาว่าเจ้าข้านั่นได้บุญถ้าบอกรับต่อไปในพระถ่ายเทออกนิมนต์พุ่งนี้หลวงปู่เอายา้มมาด้วยนิมนต์ลูกศิษย์มาด้วยึงก็ <c oughs> จับกันว่าพระวังวัดเอาหมาไ้ แจกเศษอาหารเศษบาทไหมดับหมดพระอมวตัววาไปใส่หมาทรมานสัตว์หมามันเคยไปน้ำพระดิหมดเฮยหาวี่ีเอาเศษหลอดดิดเอาใส่แอวกให้มันแหลมเอาคนบาทเแท้ใส่หันนะของเหลือบาทเแท้ให้หมาแก้ไปกันว่าจับพระว่าทรมานพระทรมานหมาตวัวต น่ะจยพระสงฆ์ถาชีเลตถ้าพอฉันกับวัดนั่นน่ะหน้าที่ของพระพุทธเจ้าสอนพระพิจิุรสงฆ์ห้ามไม่ให้รับอาหารเกินขอปากบาตรเจ้าก็เจ้าดิะนกับลสักลจพินดาระทังพุนจตามิติกาลนี้าประทชนีพินดาปะทังพุจิตามิติกาเคลี้าสปาังพินดาะทังพุนจตามิตริกาเคล็นี้จสุปะทุปังพินดาประทังพุนจิตามิตริกาเคล็ี ในเสกจิจวัตรมีจีดอกตั้งเจ็ดสิบห้าข้อมีหมวดแสดงคำมีหมวดหอมผ้ามีหมวด <c oughs> เข้าในบ้านออกนอกบ้านควรทํายังไงนุ่งห่มควรนั่งยังไงออกนอกวัด <c oughs> รับอาหารบิณฑบาตให้รับแค่ไหนวิธีกบฉันให้ทําแบบไหน <c oughs> อย่าฉันคําเข้าใจอย่ารับอาหารเกินขอบปากบาตร ให้ฟาดฉันได้ให้เรียบกับวัดเอาไปทำไมเกิดเศษแล้วก็เอาไปมา้าโยงเป็นเนยวเอาแมวไปปล่อยเอาหมาไปปล่อยกระเาะคนบาดหลายด้ถ้าฉันหมดแล้วใครจะไปปล่อยเรายากคนเราถ้าไม่ได้ใส่บาตรก็กดให้พระไปทำอยู่ที่อังกฤษหลวงพ่อให้ใส่บาตพร้อมนี่ให้อาหารแต่พร้อม ชาพะรูปใดในเทศการเข้าปรรษาพอฉันแล้วให้ปิดบาทให้ปิดบาทเลยไม่ต้องรับให้เกินเหลือฉัน <Yeah. S 1> ถ้าโยมคนไหนโกนในพระคนนั้นได้บาปว่าไม่ได้ใส่บาทกวพระอภอฉันจะบังคับนิชันรับไปทำไมในบาปในโกนในพระแล้วพระ อ, พอฉันแล้วทาไมไม่ส่งเสริมในพระสงฆ์ถือถือดงคะวัด เอาพอฉันแล้วก็ปิดบาทเลยเอาไปทําไมเยอะแยะก็สมมุติว่าพระจีรุกโยมมาเยอะแยะาใส่นิดหน่อยถ้าอยากให้ใส่หลายคนไปใส่คนเดียวเทใส่เทศใส่คนอื่นไม่ได้ใส่จีรุกป็นคนเดียวต้องเลี่ยดูกันเอาวันนี้มีกี่คนดูกวรจะใส่อาหารเท่าไหร่ควรจะใส่ข้าวเท่าไหร่ก็ดูที่อยากให้ใส่หลายคนไม่เทคนเดียว คนละจานคนละจานคนอาจานอาจาโอยคนเดียวกอพอเพราะฉะนั้นนี่นแหละอาบิปูชาของสําหรับเลี้ยงกายเข้าน้าโภชนาอาหารที่อยู่อาศัยจากรักษาโลกมีสี่อย่างสาหรับร่างกายตั้งขาน ร, ร่างกายเลี้ยงเท่าไหร่ก็เท่าก็แก่ก็เก็บก็ตายตั้งขันไม่ตะสั้งขัน ร, ร่างกายไม่เที่ยงทํำไมสวดบ่อยเกิดแล้วแก่เก็บตายแต่จิตใจไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายดูไม่แต่งไม่รักษาไม่ สักษาใจคืออะไรดูลมเข้าลมออกซื้อตรงไหนอาหารใจคืออะไรดูลมเข้าลมออกถ้าไม่มีลมใจนี้แล้วนั่นทําไมไม่ย่าเล่าพระสงฆ์ทำไมไม่สอนให้โยมทําบุญเรอขาดอย่างเดียวนะพระสงฆ์ไม่สอนให้ญาติโยมทําบุญผลตัวท้ายก็มีแต่อามิตรบูชาวันศีลวันพระไปดูเถอะวัดนี้มีบ้านห้าสิบหลัง วันศีลมันพระมีคนไปถือศีลสี่นสคนตรวจสอบดูผู้เจ้าหาศีลมาทำมาสอนคนเข้าใจไหมเราเราเป็นคนไหมทําไมไม่เชื่อผู้เจ้าวันพระเดือนหนึ่งมีสี่ครั้งทําไมรักษาไม่ได้รักษาไม่ได้ท่านทำไมเข้าผู้เจ้าหาศีลมาทำแทบล้มแทบตายหาหกปีตัวได้ใ จ, จกัสรู้วะหามาสอนคนเข้าใจไหมหรือเราไม่เป็นคนหรือจึงไม่เชื่อผู้เจ้า ทำไมล่ะเขาจะไม่เมื่อกี้ติดโสมมนุษย์สาวติลาโกติดฉังพุทธสมุ ป, ปะดังติดฉังสัตวธรรมะสวนัง์พระสงฆ์รักษาทุกวันทั้งยังไม่พอใจยังไม่อิ่มใจยังไม่สุขใจสีเราเดือนหนึ่งสี่ครั้งไม่รักษาไม่เห็นใจไม่แต่งใจไม่รักษาใจหรือเวลา นั่นแหลพระพาราตระกิจตั้งธรรมชาติใจทุกลวงอยากเ ก, เกิดมาเป็นมนุษย์อยากพุทธศาสนาอยากปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้านะพอมีร่างกายลืมไปแล้วพาราฮาเวยปันจักขันธาขันห้าพละหนักหนักหรือเบาคิดดูคอยาักไหมพระราฮาเวยปัญจักขันธาคือขันห้านดินน้ำลมไฟมีธาตุใจอ ย, อยู่ด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสี่ห้ า, า, า, า 4, กับธาตุใจถ้าไม่มีลมจัดใจก็หนีจ่อยตัวนี้เผาทิ้งคอยจะเผาทิ้ง ไปดูทำไมของบูดของเนา่าแต่งทำไมของบูดของเนา่ายายๆเหม็นบูดเหม็นสาบยายกอดให้เขาเขาพูดความจริงไม่เอาถ้าถูกแก่นั้นมันก็ดีแล้วไม่ทะเลาะ ก, กันแนะ่ะพโอ้ยจะมาว่าฉันบูดฉันเน่าจะไงลูกน้นซื้อน้ำหอมมาจากประเทศนอกมาให้อยากให้เขาจงสอปบปอนันโอ้ยหอมใยหอมใจ <c oughs> มันจะหอมอยังไงคนมันเหม็นหอมแต่น้าหอมแต่คนมันเหม็น เต็มไปด้วยของไม่สะอาดพูดทําไมหรอพูดได้แต่ทําไม่ได้สอนให้นกแก้วมันก็พูดได้ทําได้ไหมล่ะรู้ไหมคำว่าดูทำถ้าใครดูใครดูใคเห็นเหมือนมาที่นี่เนี่ยไม่ต้องถามใครเราไปถามคนไม่รู้ก็บอกมาไม่ถูกไปถามพระไม่เคยเห็นบุญพระก็บอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ให้เชื่อพระไม่เชื่อหนังสือตำราไม่เชื่อได้ยินแต่เขาเล่าลือมาไม่ให้เชื่อที่เขาพาทำมา ให้เชื่อผู้เจ้าให้เชื่อเหตุผลว่าถูกต้องแล้ถูกใจมันเป็นยังไงอยากให้เข้าใจทีงนี้ขาดอย่างเดียวคือขาดการทําบุญไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีไม่ใช่แสงสว่างสเสมอทูบเทียนไม่มีแสงสว่างสเสมอดอกไฟฟ้าไม่มีแสงสว่างสเสมอดวงอาทิตย์ไม่มีผมพูดที่เจ้าไม่ได้สอนหนึ่งอันนะ ตาอีกเกิดอีกพันดวงก็มองไม่เห็นสวรรค์มิพานนีของมองเห็นแต่นรกนี่ตาเนื้อในตานรกนะเห็นอะไรล่ำรวยสวยงามเนรกคืออะไรล่ำรวยสวยงามสวรรค์คืออะไรคือลมนั่นสวรรค์นในอกเนรกในใจให้คําจุดนี้เธอให้เข้าใจเรื่องทาบุญเธอทําทานพระจะตายแล้วมันอุดมสมบุญณ์นะ แต่ละเชา้าแต่ละวันมือเช้านี่ก็ไม่รู้กี่ถาดแต่ือเชติใส่รถเฉ็นเอาแล้วบอกกันนิดหน่อยไม่พอใจประเทศไทยเป็นนั่นเลยสั่งอาหารเต็มถาดสองสามคนไปนั่งดูไม่รู้กี่อย่างเต็มโต๊ะเวลาจากไปแล้วสิ้นเดือนค่อยเอานะจะไปเที่ยวก็ว่าคีดรวบไม่เอาเสียเกียรติของเสดไม่เอาเลยแนตะ่ทางประเทศเขาเป็นยังไงละ่ะ สั่งมาขนมปังหนึ่งก้อนกาแฟหนึ่งถ้วยฉันหมดแล้วพาชนะกระดาษตะโขขยะจาน เ, เช็ดๆเรียบร้อยบัา น, นห่อจะไปล้างถ้วยล้งางจานคาความคากาแฟคาคุ้นคาแฟบคาสบู่คาหนังแน่คาค้นใส่แน่ราคาตดีบุญไปแท้ทิงแท้ทิ้งแท้ป่นตีไปปัจจยต่อเปก็จะไปฝ่อมเนี้วั่นเดียวกันหนะ่ะเห็นไหม มันจะเริ่อนอยู่เดือนนี่กินแมันจับอยากตะแคะอยู่กับต๊ะนั่น่างประเทศเขาเรีบท้าประธานเรียบทํางานบั่นเข้าไปเอาอยุโต๊ะอาหารมาเป็นของทํางานทางประเทศเขาเรีบไปไมาจากบุ่นวายเห็นโต๊ะอาหารพูยกันพอเศร้าก็จะไปถักกเตีายไก่จบต้องกอ า, ากาศเดือนอากาศมันดาเราะฉะนั้นเขาใช้จะพูดจะพากันทิ้งคำว่าทําบุญ เข้าวัดทำบุญทานศีลบุญทานเพื่อของนอกกายศีลถ้าไม่มีสมาธิาไม่มีความมิลิตยังกลัวละอายต่อบาปต่อกรรมแล้วก็ปัญญาก็เกิดสมาธิก็เกิดนะถ้าไปมีศีลแล้วก็สมาธิก็ทําไม่ได้ไม่เกิดไม่มีแล้วก็ผลสุดท้ายฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้อยู่นั้นคําของพุตเจอร hey, ์ให้จงทําดีจงทําดีไปคนไปกี้ได้ก็ว่าทําดีขโมยได้ก็ว่าทําดี ดีอะไรนั่นแหะดีไม่มีเหตุผลถ้าดีทำไมเดือดร้อนคนอื่นทํำไมเดือดร้อนตนเองทําไมเดือดร้อนญาติพี่น้องทำดีของพระเจ้าคือไม่เดือดร้อนตนเองและบุคคลคนอื่นมันมีสองดีหนึ่งดีของพระเจ้าสองดีกิเลสสอดีโลกกามิตรดีโลกอาทิปไตยดีธรรมอาธิปไต่ตัวเฉพาะอย่างต่างประเทศนะเขามีครอบครัวมีบ้านมีช่องมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีอะไร ไม่มีนี่มีศีลเขาก็ว่ามีความสุขแล้วเอาอะไรอีกก็ว่างั้นนะคําสอนของพระเจ้าลึกซึ้งไปกว่านานอันนั้นเปนโลกีญาสุขสิโลกุตตะสุกมันพูดยากขอให้ทําดูเชกกรห้อยดูเชก่อ น, ออนลึกซึ้งมากทำที่พระเจ้าจะรู้ยากที่สา ม, มันชนคนธรรมดาจะดูได้จะรู้ได้จะเห็นได้เข้าใจไหมคนธรรมดาดูไม่ได้นะต้องคนพิเศษหรืออะไรนะ ระเบิดโซดาตกิตนาคาพระนาอะไรว่าไปถอดถอนจิเลตไปบางสิ่งบางอย่างเท่ก่อนที like. тысяч, ่จะเข้าเพื่อข่ายเข้าไปเข้าไปเข้าไปถูงเข้าไปเพราะฉะนั้นโลกุตละมันสําคัญละเอียดมากเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เข้าใจว่าพระคืออะไรส่วนมากญาติโยมต่างชาติเขาก็ไม่เข้าศึกษาพูดเป็นไอ้ออกก็บบอสซวนสามีของวัดเด้ ต่อไปเขาบ่อยเป็นสักลายไทยถามว่าพระสงฆ์คืออะไรพระสงฆ์ทำหน้าที่อะไรพระสงฆ์ทำอะไรพระสงฆ์มาสอนอะไรพระธรรมทูตพระธรรมทูตจบพระธรรมทูตเพื่อนำมาดูแลไปผ้าประชาชนของก็บฏต้นเด็ดพระเจ้าอยู่หัวและช่วยเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเอาคําสอนของครูบาอาจารย์เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระเจ้าไม่เชื่อครูบาอาจารย์เล้ ในเชื่อเหตุผลครู <c oughs> บาอาจารย์บางท่านบางรูป ก, ก็ได้เข่งขัดบางท่านบางรูป ก, ก็ได้ท่องเอาลาดับลำลา ส, ส, สูตทรเรียนเช่นอ่านทำตีตํมโตต้มเอกประโยชนเก้าประโยชน์สิบเอาไล่ก็ว่าไปเวลาสอนญาติโยมก็ไม่แต่ของถวายทั้งกระ t ถวายทั้งกรานไม่บอกทาบุญผลกระท h a n ก็หลงไปติดแต่อมิตรบูชาอยู่ น, นั่ น, น <c oughs> จึงได้ขนของมาถวายพระถวายพระของในจะนําออก ของนอกจะ น, นําเข้าเรื่องโลกๆจะ น, นําเข้าไปจุ่งวัด <c oughs> มันอุดมสมบูรณ์แล้วเรื่องพระสงฆ์ทุกวันสมัยก่อนไปบินต บ, บบาทรอบบ้านรอบเมืองได้ห่อแกว้วแก้วเค้กสาขาฝันเห่อปวดมุอไทยเด้อ <c oughs> อู้จักว่าฆ่าฝันแหงเด้อว่าม่นฆาฟานแหงเด้เ ข, <c oughs> ข้าใจว่าไหมว่ามจะขอสิทธิ์ไหว้ฆา ขาฝานแห่งมาถวายพระสันติขาฝานะขาฝานเขาไปตากพอพระกรรมฐานเขาถือว่าพระผู้ดงฉันเจแต่ไม่ก่อนๆนะถ้าเห็นผ้าดำๆแล้วก็เกือหน้ากระตําไม่บังหน้าใส่เกลือใส่บังผิกทนอ่ะขาฝานแห่งตาขาฝานแล้วเราก็ไปตำใส่บังริกใส่เกลือไม่ผ้าดำจนาถอะแล้วสิ่งทคุยได้สดวช่วคือุงมือเ่ ที่มันของไ ง, งว่เวราะเวลาตา พ, พุทธเจ้าหายยากนี่พระเจ้าประสงค์กบาอาจารย์พระเหตุตะกอนก็นยากขึ้กันเดิบางปีก็ไม่ได้นอนจำนี้บางปีก็ไม่ได้ฉันต่างฉันอนิ่มดิบางปีฉันแต่เขากำน้ำดิเพราะเว่าตาพุทธเจ้าหายยากที่พระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าทําตามคําสอนของพุทธเจ้าก็หายยากขึ้กันดิแต่เห็นได้ลูกแล้วคือมาแนะนําสั่งสอนออกคน่มญาติโยมให้ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้ความสอนของพุยเจ้าพระเจ้าถึงจะลูกเพราะพุยเจ้าดูลมหาหกปีจึงได้แต่ทะูุไม่ใช่หาวันสองวันเพื่อมาสอนตัดโลกทำไมเราไม่เชื่อุดนี้เล่านั่นแล้วลข้อใหญ่ๆคือหาความมีออกจากใจแค่นั้นถ้ามาใจไม่มีอะไรไปได้เชื่อไหมว่ามะขผลทิพย์พันยังอยู่นะถ้าคุยวเจ้าไม่ได้เอาไปด้วยนะผู้สั่งสอนคือใครเรา พระธรรมวินัยเป็นครูของพวกเธอทั้งหลายเราตถาคตไม่ได้ไปไหนอยู่ในใจของพวกเธอทั้งหลายคําว่าพุทธะแปลออกมาอีกว่าผู้รู้พุทธะแปลว่าผู้รู้ใจของเราทําให้ใจของเรารู้อื่นเบิกบานโลกกิิทูลูกแก้งลกูกลูกคว่ำเป็นอยู่ของโลกมันเป็นยังไงเมื่อยรู้ไหมโลกนี้คุณวายหนอนั่นพระเจ้าเรียกพระลู ก, กุานของพระเจ้าช่งางกุกลเดีกว่าพระ ย, ทยศทระยศสัตว์เหนไง รำรวยสวยอะไรมีหมอสเราก็เบื่อหมดแล้วจะไปโดดทูเขาตายอุ่นวายอุ่นวายพระเจ้าวัดที่นี่ไม่อุ่นวายแต่ยิงเสียงพระเจ้าเราก็ตามไปไปถึงที่นี่ไปที่ไหนไปไปอุ่นวายจะไปดูพระพเจ้าตามไปพาไปดูไปสอนธรรมะไปหยุดการฆ่าตัวตาย <c oughs> แล้วก็มาตั้งหัวเงินใจปฏิบัติทำก็ได้มีดวงตาเห็นทำอยู่เพราะฉะนั้นในเนื้อเรื่องทำบุญนนะ เราไปขาดอยู่นี่เดียวนะไปไปติดแต่อมิตปูชาเวลาพระเจ้าก็สงฆ์ครูบาอาจารย์ต่างต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพแบกลับไม่ได้ของถวาวมันเอยอะ ย, ย, ย, ยอมยอมแล้วเรื่องอมิตปูชาเห็นไหมเรามาไกลๆก็มาจีดแต่ก็มาแล้วของทานให้หลวงพให้พระสงฆ์ยากแล้วนั่นแหละ เขาไปโปรดลูกหลาน ถ, าถาวะถวายให้ลูกให้ห ล, ล, ลานถ้าลูกหลานมีสมาธิมีปัญญาแล้วเขาไม่เอาเพราะของสงฆ์มันเป็นบาปเขาถาวายเพื่อพระสงฆ์ยกเว้นแเฉพาะคนไม่เข้าใจนะของในอย่านําออกของเข้าในวัดเขาไม่กล้าเอาออกนะคนบโบราณ น, นะแต่คนสมัยนี้ขอมีน่อยทะแนะ่วัดครึ่งหนึ่งกระการครึ่งหนึ่งนั่นเห็นไหล่ะบางแห่งก็ มอบกรรมการกรรมการเอามาปัจจัยเอามากรรมการถือเอา้ากรรมการใส่เงินก็นได้ตัวพระเอาใส่สนั่นเห็นว่าะ่ะทาไมคนเกิดความโลภขึ้นมาเนี่ยจึงเลยมีถามเงินถอนวัดตามจับถึงผู้ถามตามจับตึงพระเนี่ยพรเจ้าจึงห้ามอย่าไปยุ่งเรื่องของโลกอาเมตรสุก เอาโลคุตละสุขให้ใจโลกุตละของคนเจ้าเป็นไงเ่ะลงเข้าลงบอกหาสิ่งเดียวแค่นั่นนะพระหน้าที่ของพระสงฆ์นะหาบุญอย่างเดียวไม่ต้องหาอย่างอื่นนั่นนะโลจิจักโลคุตละสุขต้องเข้าใจข้อนี้นะพระท่านผู้เจ้าจึงห้ามไม่ให้เชื่อกูบาอาจารย์ไม่เชื่อห น, อนังสือตำราหนังสือก้อนตังคนตังมีก่อนจี๊ซี่ก่อนอ น, น้อยก่อนไนก่อนจี๊ดไก่ก้อนขอ แขนก้นแล้วว่าไปที่ตั้งก้นตั้งสูตรตั้เลียนมายังมีบัญญัติขึ้นมาสินของพุณเจ้าไม่ถึงสองรอยี่บเจ็ดเห็นไหมละ่ะมีในประเทศไทยขึ้นมาแล้วตำนักหนึ่งพระไตรปิฎกแค่ห้าสิบข้อพรุทธเจ้าแสดงทำที่ไหนว่าถึนสองร้อยยี่สิบเจ็ดมีก็ยังมีคนเชื่ออยู่เยอะแยะแล้วจะว่ายังไรล่ะนพร ะ, ะนั้นแหละะพุทธเจ้าจึงห้ามไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ให้เชื่ อ, อาาหอนังสือตำรา ไม่เชื่อที่ยินแต่ข่าวาล่าือมาที่ตามจับในคำฤๅษี อ, อะไรเยอะแยะเพราะอะไรข่าวาล่าหือมาเป็นคำบวชมีเดียวได้สาเร็จเป็หารแล้ว <S <S นั่นนะเชื่อเชื่อใจไหม <S 1> <S 1> อีกพวกหนึ่งเอาดอกพวงเรื่องไปเดินทุดงไปปูทางเดินทุดองอีกพวกหนึ่งขนดอกเราเรื่องไปบูชาอะไรถูกต้องอะไรถูกใจหรอกได้คิดบ้างไหมเรา ก็เพราะเราไปเจื่ออะไรล่ะเจะเจ้า <c> ห <oughs> ้ามศีลข้อที่แปดไปถามดูเถอะมาลากันทําอย่ดียวาลาไปว่าดอกไม้ต้องทําดอกไม้นี่ดอกไม้เข้ากราบไระไหว้ ง, งามแล้วเวลากลับถือกลับพรอมไปใส่แจ ก, กันมันดูเน่าโดยเฉพาะเมืองไทยไใส่แจ ก, กันเอาน้ําไปใส่สองสามวันยุ่งไปไข่ตอดคนเป็นบาปหรือเป็นบุญหรอกน้า ม, มีตัวสัตว์พระไปเทไม่ได้อยู่ในแจ ก, กันเหม็นคุ่นอยู่นั่นเลย วันหน้ามาดูนะวันศิลปวันพระมาดูเหม็นคุ้งไปหมดแล้วยิงแกกันเดใหญ่ๆลุงปูลุงปูดิฉันดอกไม้ราคาแพงอย่ากันใหญ่ๆหน่อยนะจุค่าถ้าแกกันเล็กออกมาให้ไม่้จกให้ลุงปูลุงปูไม่มีน้ํำนนท์ถ้าเราลุงปูไม่ให้แล้ว <c oughs> ไม่ให้ทําแล้วฮะเ <c oughs> ที่ยวตั้งเวรหงหลายมันจะทำเมาตะปัวปากว่ามันจะสาคำทางภาษาอีสานเด้รู้จักไหม มาที่นี่เที่ยวทั้งโค้งไปเลยจนว่าจะค่ำแต่ก็ไม่ถึงเลยไปไหนแน่ละ่ะบนทั้งโค้งไปเก็บดอกไม้ไปหาดอกไม้มาบูชาหาธูปหาเทียนมาจุดได้ยินไหมแสงเทียนสองตาแสงปัญจาสองใจถ้าบูชาดอกไม้ทูปเทียนเห็นสวรรค์ น, นิพพาหนหลวปู่ไม่ต้องบวชแล้วออกไปหาจุดธูปจุดเทียนหาบูชาดอกไม้เอาก็ได้ตัวไปนั่งสมาธิยากนี่นัง <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเรไมา่ขอตองจะตัดฉันไปจะตัดฉันไปไม่มีหูทิพน้ะฉันกาลังจะมีลูกอยู่เข้าใจไหมลูกมาจากไหนมาจากดอกใช่ไหมหลวงปู่เคยสอนญาติโยมขอลูกขอเลาอยงเมื่อเสกหัวว่าเราสูตัดหมักเะมักตุเลียนมักสมมักสมโอหมักงินบานันี่ขอเขาเพราะลูกเขาเด้นั่น ได้ซื look, son, ้อตรงไหนล่ะนี่ขอที่นี่ขอเน้อไปตาสมเนื้อแบุ่งเห็ดหนึเห็ดเป็นตังเห็ดว่าได้เมื่อยัเนี่ยดอกไม้ชุ่นเนี่ยทำใจของเาอ่อนน้อมมันรู้เขบางแนเขามาตีได้บ่เขามาขอได้บ่ไปเอาของเขาเพีง่บ่ขอในี่มันแสดงน้ำใจของเรามีจิตใจอ่อนน้อมไหมยังยงยงหัวแทบทีดิน มอบมอบเขาหัวเทางานยากมอบมอบมอไปไปตัดเอาลูกเขาไปลักเอาซําต้องทำแสดงออกถึงความอบอเนอะขวานนเด้อพวกงู้นจึง่ายจะ ไ, ไปตําได้เสียหายตรงไหนได้ซื้อตรงไหนอ๋อดอกไม่เป็นกำกำหนึ่งกี่เหรียญทุกวันนี้ยิ่งงามๆถ้าหมื่นขั้งราคาเท่าไหร่คนตัวใต้คนกับไปหลงอยงู่นั่นแหลน้ำหามาให้อยู่ให้กินวัดหมดแล้ว เลพิธีกรรมเลยไปอยู่นั่นเอ้าเชิญตรวจน้ำโยมเดี๋ยวนี้ใช่พิธีแล้วประธานตรวจน้ำแทนให้ประธานจุดธูปจุดเทียนแทนอะไรแต่ก็เดโอ้ยหนักกันจุดธูปเน้ยนี่จะก้นจะก้นจุดแยกกันนี่ในเทศกาลกรถินกระกยันโดนๆเปบางแห่ง <c> เ <oughs> พราะฉะนั้นอยากให้เน้นหนักภาคปฏิบัติไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกนะเน้นหนักภาคทำบุญ ปฏบิบัติบูชาอมิตรบูาเข้าใจไหมเรื่องทาบุญ <c oughs> อาหารใจรักษาใจแต่งใจ <c oughs> เห็นใจเห็นใจเห็นบุญเราเคยดูใจไหมเคยแต่งใจไหมเคยให้อาหารใจไม่ใจมันตายไม่เป็นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมถ้าเห็นลมเห็นใจถ้าไม่มีลมใจก็หนีใจอยู่ไม่ได้แต่ไม่ดูทำไมน่เจ้ากรรมในเวรไปคอยถามอยู่แล้วหรืพูดตั้งอกตั้งใจว่า เข้าใจไหมที่แรกหลวงู่ว่าประพันธ์ลังจิตตั้งธรรมชาติใจทุกดวงจากเกิดมาเป็นมนุษย์จากพระพุทธศาสนาจากปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลามีร่างกายเริ่มแล้วเจตนาเดิมยกเวน้นเฉพาะอย่างที่พระเจ้าก็ะสงฆ์ดูทุกวันนั่นแหละเห็นความเป็นมาให้เป็นอยู่เป็นไปของใจตนเองว่าอยากมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรเราไม่ดูสักทีก็ไม่เห็นใจว่าจะเกิดมาเพื่ออะไรละ่ะเกิดมาไม่รักสวยรักงามจากร่ํำจากรวยจากสวยจากงาม ไปอยู่เมืองภูเงินมะโนลาเท่าศรีโทนตามนางมาโนลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจึงไปเจอเจออยู่ที่ไหนเมืองภูเงินใจของคนไปอยู่เมืองภูเงินมะโนมโนผูพังกรรมธนวามาโนเสรษฐามาโนปยามาโนคือใจใจของคนมาอยู่เพียงภูเงินใช่ไหมอเอาแค่ภูเงินก็ไปอยู่เมืองสวยงามนี่แหละมเราลบสองหอนนั่นแหละนั่นคนอยู่ตกมาเราลรถข้างเป็นเข้าใจไหม ทุกญาติเขาน้อทุกญาติเขานออยู่หันมีเท่าไหรก็ไม่พอใชจมันก็ไม่เมีองพอไม่ไมีเจ้ากรรมนายเวรเขาไปถามแล้วโยมคุณยายคุณตาตั้งอกตั้งใจว่าจะไปพบพูดศาสนาคำสอนองพูดเจ้าแล้วคุณเคยดูทางไปสวรรค์ไหมเคยเห็นสวรรค์ไหมเคยรู้ทางไปสวรรค์ไหมหไหม่เคยรู้ไม่เคยดูไม่เคยเห็นมาจากไหนมาจากเมืองนรกกลับไปบ้านเดิม ก, ก็ไปเมืองนรกไปไม่ได้ทางสวรรค์มันมืดนั้นไะ่ะโลกะคือความมืดครอบงําสัตโลกความมืดคืออะไรวัดบางใหญ่ที่มันบงังภูเขาตัวใหญ่ร่ํารวยสวยงามเอาเลื่อเข้าไปดูนะจากรูจากก็เข้าไปดูลมดูน่านๆหน่อยตั้งแต่เกิดมาบางคนยังไม่ดูใชด้วยนะมีวัดยี่วัดอยู่ที่เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ทาไมไม่บอกดูตรงนี้หรอ ใจอยู่กับลมใช่ไหมถ้าไม่มีลมใจกว่หนีใจมันตายไม่เป็นแังขานร่างกายเกิดแล้วแก่เก็บไตเผาทึงงมดผมขนเล็บพันหนังนะเพราะฉะนั้นพยายามเน้นหนักจุดนี้ไม่ได้ซื้อสักบาทนะอาหารใจถ้าได้ซื้อหลวงพ่อไม่บอกแต่งใจรักษาใจไม่ได้ซื้อเพื่อน่าดู ก, กดุศสขบงตนโยดาทีพี่น้องตลอดตั้งปัจจุบันทรง ช่วยกันเผยแพ่พุทธศาสนาปฏิบัติธรรมทำคำสอบของพุณเจ้าตลอดตั้งอกคุได้โยมดีในพุทธธรรมคำสั่งสองของพระเจ้าจะพากันตมาดวมเพลิดเพลินทะเยอทยานบุญกุศลที่เราได้กระทั่มเดานี้คุณกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และถึงสังิจักรายอยู่ในสากลนรกนี้จงมารวมกันจงปกป้องปกปักราอบคโยมราษฎรพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าพระสงฆ์งนี้ทั้งคนสุขคนเจริญสุขกายสุขใจ จากทุกถกโรคภัยการงานจึงใดการเงินจึงใดปัจจนาจึงหนึ่งอันใดจงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงพากันตั้งอกตั้งใจตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสินเห็นธรรมเห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นพรนิพพานในปัจจุบันในชาตินี่เธอ